ณบัดนี้ขอเชิญท่าน นิทานเรื่องเจ้า มาฉันในพระราชวังเป็นประจำชาตินั้น สืบซึ่งยังไม่รู้ว่าจากราชบิดา 100 พระองค์ดัง เจ้าและคอยรับใช้อยู่เหมือนเช่นเคยก็รีบเสด็จมาต้อนรับและคอยแล เจ้าแต่พระไทยจดจอกอยู่กับเรื่องที่จะถามในใจเมื่อได้โอกาสประทับนั่งอยู่ใกล้ๆแต่ ตามบุญบารมีจะส่งให้พระองค์ได้ครองราชสมบัติเหรอใช่ ว่ามั่นใจแล้วเลยพระคุณเจ้าน่ะมั่นใจแล้วเหรอ มีสติรักษาพระทัยให้มั่นคงฟัง อือขอให้เดินทางโดยปลอดภัย ได้ทําให้ตามที่เจ้า อ่าแล้วแล้วจะเสด็จไปลำพังพระองค์เดียวไม่ไม่ๆๆเพราะ นางยักษิณีพวกนี้น่ะจะคอยเนรมิตสิ่งสวยงาม รักษาแล้วก็เอาตัวรอดได้แล้วก็อืมงั้นก็ตามใจก็ตามใจอยากไปก็ คนเห็นเข้าเกิดติดใจในความสวยชิดคนหนึ่งในจํานวนนั้นเห็นเข้าเกิดติด อะไรจะข้าๆเอ้าถอยงั้นก็พระเจ้าค่ะใจงั้นหลบ 4 ก็ถูกคาบต้อยก็หายตัวไปฉีกเนื้อกินจน หลงไหลไหลจึงขอหยุดพักการเดินทาง ก็หายตัวไปในลมิตร 3 2 คน นางหลังจากกินคนที่สามเรียบร้อยแล้วนั้นหลังจากกิน หลายคนติดตามซึ่งเหลือติด หลังจากกินผู้ติดตามคนที่ 5 มีชาวบ้านมาเก็บผลไม้และตัดฟืนกันอยู่น่ะจริง หลอกลวงเด็กสาวให้หลงฮะมันเป็นยังไงนางไม่ใช่พรายยามขาดหรอกนาง เวลาโกรธเวลาไม่ชอบแล้วก็แมะมองภรรยา จนเจ้าชายเข้าไปในเมืองและนั่งพักอยู่ในศาลาถึงจึงแปลงร่างเป็นสาวสวยยืนอยู่ที่ประตูศาลาโดยไม่สามารถเข้าไปใกล้ตัวเจ้าชายได้เจ้า และได้เสด็จที่พระปัจเจกพุทธเจ้า โดยมิได้ทรงคืนวันนั้นเสียงทัดทานของเจ้า ร้อนทำไมฮะคนสวยของพี่ไม่ต้องอายอะไร เรื่องเดชะมิเกิดขึ้นเลยถ้าหากให้น้องหญิงเรื่องที่ๆ เพราะว่ามันเกี่ยวกับความ ขนาดที่พระราชา วันพวกชาเมืองเห็นประตูหวังปิดผิดสังเกตพวกเขาจึงช่วยกันพังประตูหวังเข้าไปพบเห็นแต่กองกระดูกเมืองเห็นเขาร้องบอกว่าหญิงคนที่พระราชาพาเข้าไปในหวังนั้นวังปิด คงจากนั้นฝีมือนางยักษิณีตนนั้นจาก ยืนถือพระขันธ์อยู่จนรุ่งเช้าซึ่งเป็น ไม่หลงไหลในสิ่งที่ แล้วเสด็จเข้าไปในพระราชวังเสด็จเข้าไปในพระ ต้องไม่หลงๆคน 5 คน